พุทธนิกรรมเอกหมวนที่สิบสามเจริญสุขท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาว่าบทเรียนประถมะสมโพธิกถากันต่อไปวันนี้ก็ถึงปริเจตที่ยี่สิบหกว่าด้วยมหาปรินิพานสูตรปริวัต ก็หมายถึงตอนที่ว่าด้วยพระปริปรมหาปรินิพานสูตรซึ่งพระสูตรนี้ก็คือการเสด็จดับขันธปรินิพานขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพรรษาที่สี่สิบห้าองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มีพระชนมายุได้แปดสิบพรรษา ในพรรษาที่สี่สิบ้านั่นเองพระองค์ก็ได้ประทับจำพรรษาอยู่ที่บ้านเวลุเว ล, เวลุวะคามได้จำพรรษาอยู่ที่นั่นใกล้เมืองเวสาลีในภายในพรรษานั่นเองพระพุทธองค์ก็ทรงพระประชวรหนักอยู่ครั้งหนึ่งทรงพระประชวรหนัก แต่ว่าพระองค์นั้นก็ทรงอดกลั้นเสียได้ด้วยอธิวาสนขันติโดยพระองค์ทรงใช้อธิวาสนาขันตินั้นขจัดเสียซึ่งอาการป่วยไขย่อันนั้นให้หายไปพระอนนเทเถระเจ้าเมื่อองค์สุเด็พระสมมาสมพุทติเจา้าทรงหายพระประชวนแล้ว ก็จึงได้เข้าไปถวายนำ้ำมศการแล้วก็กราบทูลถึงเรื่องที่ตนเองหนักใจในอาการที่ในอาการพระประชวรขององค์สุเดะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างพันศา น, นั้นว่าเมื่อองค์สุเดะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระประชวร น, นั้นรู้สึกว่าร่างกายของตนเองก็ระ ง, งมระบมไปหมดแม้แต่ประจากักษสุก็รู้สึกว่ามืดมัว เพราะเหตุที่ว่ามีใจมีใจที่เป็นห่วงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่ก็ดีใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าถ้าตราบใดพระองค์นั้นยังไม่ปราลบิสุสงแล้วตัตรัส พ, พุทธวจนะอันใดอันหนึ่งขึ้นแล้วจักยังไม่นิพานอย่างแน่นอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนอนอน ภิกษุนะ่ะยังจะมาหวังอะไรในพระองค์อีกล่ะทำทุกอย่างพระองค์ก็ได้แสดงอย่างเปิดเผยไม่มีข้อลี้ลับเหมือนกับว่ามีกรรมมืออันแบแล้วไม่ได้เคยมีธรร ม, มะก็ใดเลยที่จะลี้ลับไว้หรือเก็บไว้เพื่อภิกษุบางพวกบางเหล่าแม้แตค่ความอะไรในพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่มี เดี๋ยวนี้อายุของสถาคดนั้นนะถึง80ปีแล้วเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเกวียนที่เก่าที่ชำรุดเจ้าของก็ใช้ดามด้วยไม้ไผ่ <c oughs> <c oughs> ก็เพราะเหตุว่าเกวียนนี่ชำรุดมากแล้วขั้นจะเอาไม้จริงดามเขาแล้วก็เสียดายไม้แต่ว่าพอที่จะใช้ได้อีกสักคราวสองคราวก็เลยเอาไม้ไผ่ดามไว้ ร่างกายของสถาคตก็เช่นเดียวกันแก่เท่าชราแล้วอายุตั้งแปดสิร่วงเข้าสู่วัยชราแต่อาศัยด้วยสมาธิภาวนาก็พอจะพยุงตนอยู่ไปได้เพราะฉะนั้นเธอนะอ น, อนนลจงอาศั ย, ยตนเป็นที่พึ่งเถิดองค์สุเนศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้สอนตรัสสอนกับพระอนอนลว่า สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งของตนน่ะไม่มีนอกจากตนของตนเองเท่านั้นที่จะพึงเป็นที่พึ่งได้ขั้นในเวลารุ่งเช้าองค์ทุด็จพสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จึงได้เข้าสเสด็จเข้าไปบิธบัดในเมืองสาวัตถีเมื่อสเสด็จ ก, กลับมาแล้วอ่าเมื่อกระทำเมื่อสเสด็จ ก, กลับมาแล้ว กระทำพัฒกิจเสร็จแล้วก็เสด็จไปยังเมืองเวสาลีพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งห้าร้อยลูกแล้วก็ประทับอยู่ที่กูตาคารสาอาสาลาป่ามหาวันนั้นพวกกษัตริย์ชาวลิชวีทั้งหลายได้สดับข่าวเช่นนั้นแล้วว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาก็มีความยินดีมีพระไทยที่ยินดีล่าเริงเป็นอย่างมาก จึงได้นำสการะดอกไม้ทูกเทียนและเครื่องสการะทั้งหลายมาถวายต่อองค์สุเดระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วก็ทูลเมื่ อ, อเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วก็จึงได้ทูลรัธนาให้พระองค์นั้นเข้าไปรับบิณฑบาตในตอนเช้าวันลุงขึ้นในพระราชวังพอตอนลุ่งเช้า องคุณเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปบิธบาศในพระราชนิเวศ ท, ทรงกระทำพัฒกิจเสร็จทรงอนุมโมทนาแล้วก็เสด็จออกจากพระนครหันพระกายกลับมองดูกลุงมเวสาลีนั้นเป็นครั้งสุดท้ายการกลับหันพระกายกลับแลดูนั้นเรียกว่านาคาวลุกแปลว่าเหลียวดูเหมือนกับ พยาช้างตัวประเสริฐก็คือว่าพระองค์นั้นกลับหันทั้งพระกายเลยดูเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายก็จึงได้กล่าวแต่พระอานนท์ว่าครั้งนี้แหละจะเป็นการเห็นเมืองสาวอ่าเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายณัตนะสถานที่นั้นก็จึงได้ชื่อว่านาคาวโลก อยู่ตราบเท่าทุกวันนี้และองค์สุเจศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สเสด็จมาสเสด็จไปยังกูตาคาราศาลาป่ามหาวันนั้นขั้นถึงแล้วจึงรับสั่งให้พระอนนทเนี่ยถือผ้านิสีธนะให้สเสด็จตามไปยังปาวาเลเจดีแล้วก็ให้พระอนน์เนี่ยอูราชผ้านิสีธนนะพระองค์ก็ทรงประทับนั่ง แล้วก็จึงได้กล่าวแก่พระอนุนว่าเมืองเวสาลีอุเทนเจดีโคตมกเจดีสตัมพระเจดีพระภูปุตตะเจดีสารันทะเจดีและปาวา ร, ร, วารเจดีสถานที่ทั้งเจ็ดนี่แหละล้วนแต่เป็นลมมณีสถานเรียกว่าเป็นสถานที่น่าลื่นลม ผู้ใดเจริญอิทธิบาทสี่ประการให้บริบูรณ์แล้วผู้นั้นถ้าปรารถนาจะพึงมีอายุอยู่ได้กับหนึ่งในชั่วกับหนึ่งหรือว่าเกินกว่ากับก็สามารถที่จะกระทำได้กับในที่นี้หมายถึงว่าอายุกับอายุกับของมนุษย์เหล่านั้นไม่เสมอกันแต่ละการแต่ละการนั้นไม่เสมอกันแต่สำหรับในกับนี้ หรือในปัจจุบันนี้ตอนที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประสูติหรือว่าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนั้นอายุไขของมนุษย์คืออายุกลับว่าได้แก่อายุไขของมนุษย์นั้นมีประมาณหนึ่งร้อยปีมีประมาณหนึ่ง <c oughs> ร้อยปี <c oughs> องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ตรัสแก่พระอ น, นุนอ่าว่าดังนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าได้ทํานิมิตโอภาสให้แก่พระอ น, นุ แต่ว่ากล่าวแล้วถึงสามครั้งพระอนุก็ไม่สามารถที่จะรู้ทันได้เลยไม่ได้อาราธนาให้พระองค์นั้นทรงดำรงพระชนมายุอยู่ตลอดกัปหนึ่งดังนั้นองค์ทุนเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงให้พระอนุนั้นเลิกออกไปที่จะห า, า, หาสถานที่ อันควรแก่ตนเองพระอนนต์นั้นก็จึงได้ถวายบงคมแล้วก็ออกไปพระไปนั่งอยู่หน้าที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งซึ่งไม่ห่างไกลนะักเมื่อท่านพระอนน์หลีกไปแล้วก็ปรากฏว่าพญามารคือพญาอาวสวดีมารก็ได้มาเฝ้าทูลอาราธนา เข้ามหาเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์โดยก็พรรณนาถึงเรื่องเนื้อความเก่าว่าตนเองนั้นเคยทูลอารัธนาให้พระองค์นั้นทรงปรินิพานแล้วแต่ว่าองค์ทุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังปฏิเสธโดยกระโดยตรัสว่าตราบใดพุทธบริษัททั้งสี่ยังไม่มีความฉลาดเฉลียวฉลาดในเรื่องธรรมวินยัยยังไม่สามารถที่จะรักษาตนเองได้ตราบใดตถาคตจะยังไม่ปรินิพาะนตะรัสนั้น แต่ว่าบัดนี้พุทธบริษัททั้งสี่นั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในพระธรรมวินัยสามารถที่จะรักษาตนเองได้ทําตนเองให้พ้นจากทุกข์ได้เรียกว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้กระจายแผ่ไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นสมควรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วได้แล้วพระเจ้าคเจ้าก็จึงได้กล่าวว่าดูก่อนมารผู้ลามก ผู้มีใจยาบต่อแต่นี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะปรินิพานเพราะฉะนั้นเจ้าท่านนะจงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยเถิดมาได้รับฟังเช่นนี้แล้วก็ดีใจดีใจแล้วก็จึงได้ทุลลาไปองค์สุเดชพรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพยา ม, มานั้นไปแล้วพระองค์ก็ทรงปรองอายุสังขาร ตรวจดูอายุสังขังตัวเองก็โร่งอายุสังขังตัวเองว่าจากนี้ไปอีกสามเดือนทันตถาคตจะปรติพานในขณะที่พระองค์ทรงโร่งอายุสังขารนั่นเองก็จึงได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในเกิดแผ่นดินไหวขึ้นท่านพระอานุนซึ่งนั่งอยู่หน้าโคนต้นไม้ไม่ไกลนะักก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าทําไมเหตุใดเนาะแผ่นดินนี้จึงได้ไหวขึ้น แผ่นดินจึงได้ไหวก็จึงได้เข้าไปทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าเหตุที่จะทำให้แผ่นดินไหวนั้นน่ะมีอยู่ในการั้งแปดประการประการที่หนึ่งก็คือลมกลําเริบประการที่สองนั่นก็คือท่านผู้ที่มีฤทธิ์บันดาลประการที่สามพระโพธิสัตว์จุติมาปฏิสนธิ ในพระคันของพุทธมารดาประการที่สี่พระโพธิสัตว์นั้นประสศุประการที่ห้าพระมหาบุรุษตัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณประการที่ 5, หกร 6, พระผู้มีพระตถานโคดจ้าทรงสแสดงธรรมจักกัปวัตนสุทรงสแสดงปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมะจักกัปวัตนสุ ประการที่เจ็ดพระสถ า, าคตเจ้าปร o l อายุสังขารและประการที่แปดนั้นพระสถ า, าคตเจ้าสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานบัดนี้สถาคตร p r o อายุสังขารแล้วว่าต่อไปนี้อีกสามเดือนจะปรินิพานแผ่นดินจึงได้ไหวท่านพระนรเถละเมื่อได้ทราบพระดํารัสเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ทูลวิงวอนขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นดํารงอยู่ต่อไป เพื่อประโยชน์สุขนะเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่มหาชนและเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกและเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระอนนท์ได้วิงวอนอยู่เช่นนี้ถึงสามครั้งสามคราวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธถึงสามครั้งเหมือนกันแล้วก็จึงได้กลัดเตือนท่านพระอนนท์ว่า เธอน่านไม่เชื่อการตรัสรู้ของตถาคตหรือหรืออย่างไรจรึงได้มาแค่นไครตถาคตเนี่ยอยู่ถึงสามครั้งสามคราวท่านพระอนนท์ก็จึงได้กราบทูลว่า<อ>ก็เหตุด้วยที่ข้าพระองค์นั้นมีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์แต่เพราะเหตุว่าได้ฟังพระพุทธดำหลัดเฉพาะพระภักของพระองค์ว่า ผู้ใดจเจริญอิทธิบาสีประการให้บริบูรณ์แล้วถ้าผู้นั้นมีความปรารถนาจะอยู่จะมีอายุอยู่ได้กับหนึ่งหรือเกินกว่านั้นก็สามารถที่จะทําได้ดังนั้นข้าพระพุทธเจ้านั้นจึงได้กราบทูลอารัธนาจึงได้กราบทูลอารัธนาเพราะเห็นว่าพระองค์นั้นทรงมีอิธิบาส ท, ทั้งสี่ประการนั้นบริบูรณ์แล้วบริบูรณ์ดีแล้วสามารถที่จะดํารงอยู่ได้ องคุเดชพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จึงตัดว่าดูก่อนอนนท์เธอเชื่อหรือว่าเป็นไปได้จริงพระนอนนท์ก็กลา่าวทูลว่าเชื่อพระเจ้าค่ะพระองค์ก็จึงได้ตัดว่าเรานั้นตถาคตได้ทํานิมิตโอภาสคือเปิดโอกาสเป็นในในนั้นให้เธอรู้หลายครั้งแล้วคือที่เมืองราชคฤก์นั้นสิบครั้งในการสิบแห่งในกันแล้วก็ที่เมือง ที่เมืองเวสาลนีนีอีกถึงหกอีกถึงหกแห่งดดวยกันรวมแล้วเป็นสิบหกตำบลด้วยกันอันอนนท์ถ้าหากว่าในสิบแห่งนั้นหรือว่าในสิบสถานที่นั้นที่สถาคตได้ ก, กล่าวไปในไหนนั้นถ้าหากว่าอันอนนท์นั้นทูลวินวอนตะขาสถาตให้ดำลงอยู่ต่อไปอีกสถาคตก็จะพึงนห้ามเธอเสียสองครั้ง ในครั้งที่สามนั้นตถาคตก็จะรับอารัธนาแต่นี่อานนท์เธอนั้นไม่ได้เคยอารัธนาให้ตถาคตเลยทั้งทั้งที่ตถาคตนั้นได้ทำโอภาสเป็นในในอยู่แล้วเพราะเหตุที่ว่าเธอ้นั้นไม่ได้อารัธนาจึงเป็นความผิดของเธอเองเป็นความผิดของเธอเองการที่จะให้ตถาคตนั้น ทรงรับนั้นมันไม่ใช่การนังควนเสีแล้วเพราะบัตรนี้ตถาคตได้รับคำของพยามารเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นมันเป็นความบกพร่องของเธอเองเพราะเธอที่รู้ไม่ทันจึงเป็นความเข่าของเธอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสต่อไปว่าบัตรนี้น่ะตะถาคตได้ปรงอายุสังขารแล้วได้ลั่นวาจาเด็ดขาดไปแล้วจากปรินิพพานในเมชะ การที่จะรับอาราธนาให้มีอายุยืนต่อไปอีกนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็จึงได้เทศนาโปรดท่านพระอา น, นนนั้นให้รู้จักสภาวะของสังขารซึ่งมีอันที่จะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาขั้นทรงสแสดงโปรดพระธรรมเทศนาโปรดแก่ท่านพระอานนแล้วก็จึงได้ชวนท่านพระอา น, นนนั้นพร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย จึงได้ตรัสแก่พระอนุนว่าดูคนอ น, นุนเรามาพร้อมใจกันไปอย่างบ้านพันดุคามกันเถิดจึงได้ให้พระอนุนนั้นได้บอกแก่พิสุทธ์ทั้งหลายก็จึงได้จากปาวาและเจดีนั้นสเสด็จไปอย่างบ้านพันดุคามสเสด็จไปอย่างบ้านพันทุคาม แล้วก็บ้านหัตถีคามบ้านอัมพาคามชัมพุคามโพคณนครและปาวานนครโดยลําดับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ได้ออกจากปาวารเจดีก่อนที่จะจากเมืองเวสาลีไปนั้นพระองค์ทรงประชุมพระพิสุสงฆ์นั่นที่โลงฉันแล้วก็แสดงอภิญญาเทศิตธรรมเกตประเภทเดกันโปรพระพิสุสงฆ์ แล้วก็เตือนส่งเตือนพระพิสุสงฆ์นั้นไม่ให้ประมาทแล้วก็ตรัสชวนพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายาเสด็จไปยังบ้านพันทุคามเมื่อไปถึงบ้านยังพันทุคามนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสดแสดงอริยธรรมสี่ประการโปลดพิสุสงฆ์อริยธรรมเตือสี่ประการนั้นก็ได้แก่ศีล ส, สมาธิปัญญาและวิมุตติสี่ประการนี้เรีย ก, กว่าเป็นอริยธรรม คือเป็นธรรมของพระอริยเจ้าหรือเป็นธรรมที่ประเสริฐขั้นแล้วก็จึงได้ปรสชวนท่านพระอานนท์นั่นและพระพิสุสงทั้งหลายสเสด็จไปยังบ้านหัตถีคามอามัมพะคามชํมผู้คามโพคณครโดยลำดับที่โพคณครนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงสดแสดงมหาประเทศสีโปรดพิสุสงซึ่งมหาประเทศสีนั้น พระองค์ทรงแสดงไว้สำหรับในการที่จะตัดสินพระธรรมวินัยว่าสิ่งใดเป็นธรรมสิ่งใดเป็นวินัยซึ่งคำพูดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาแสดงจะโดยอ้างจากคำอาจารย์ก็ตามหรือไม่ใช่อาจารย์ก็ตามแต่ถ้าสิ่งนั้นเทียบเคียงกันได้กับพระธรรมวินัยแล้วก็จัดว่าเป็นพุทธค์เป็นพระธรรมเป็นมีเป็นธรรมเป็นวินัยแต่ว่าเทียบเคียงกันไม่ได้ ไม่ลงรอยกันก็ไม่จัดว่าเป็นธรรมเป็นวินัยและต่อจากนั้นก็จึงได้ชวนพระอนน์และพิสุสงฆ์ทั้งหลายไปยังเมืองปาวาแล้วประทับที่อำเภวันสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมลระบุตรคือนายจุนทะบุตรของนายช่างทองนั่นเองนายจุนทะนั่นได้ทราบข่าวแล้วก็จึงได้เข้าไปถวายการต้อนรับด้วยความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง องค์สุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้แสดงทำโปรดนายจุนทะจนกระทั่งให้เดบลุโสดาปฏิพันธนายจุนทะก็ได้อาราธนาพระพุทธองค์นั้นพร้อมด้วยเพื่อพิสุสง์ไปฉันพัตตาหารที่บ้านของตนเองในวันลุกขึ้นองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับอาราธนาท่านในเวลาเชา้าให่วันลุกขึ้นนั่นเองจึงได้เสด็จเข้าไป อย่างบ้านของนายจุนทะพร้อมด้วยพิสุสงในวันนั้นเองนายจุนทะได้นำสูกระมัวะมาถวายพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำว่าให้ถาวายอาหารอันประีตอย่างอื่นแก่พระพิสุสงแต่เฉพาะพระองค์นั้นก็ให้ถาวายสูกระมัวะ แล้วเมื่อองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสวยเสร็จแล้วก็ทรงจัดจว่าให้เอาสูกระมัวะนั้นไปฟังเสียเพราะเห็นว่านอกจากพระองค์เพียงพระองค์เดียวแล้วไม่มีใครที่ควรที่จะสัน่นที่จะฉันสูกระมัวะนั้นเรื่องของสูสกระมวัวะนี้ตามที่เราทราบ ก, กันว่าเป็นเนื้อสุ ก, กรอนอ่อน แต่ว่าเจ้าของของประเทศคือคนชาวุอินเดียหรือชาวชมพูทวีปนั้นคําว่าสูกรมัมทวะนี้เป็นชื่อของเห็ดชนิดหนึ่งมิใช่เป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อสุ ก, กร อ, อ่อนแต่เป็นชื่อของเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเห็ดที่มีราคาแพงจึงจัดบอกเป็นอาหารที่ในจุนทะนั้นทําเพื่อทถวายแต่องค์สุเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุส่งนั้น เป็นของที่มีราคาแพงและก็เป็นของอันประณีตแต่ว่าที่องค์สุเด็จพระสมมาสมพุทรเจ้ามิยอมให้พิสุอื่นสุขอาชันแล้ว่าพระองค์ทรงเสวยแต่พระองค์เดียวนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าเหตุนีม้มีพิษเป็นเหตุที่มีพิษพระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่า อาจจะเกิอาอาจจะยังผุกคเวทนาแรงกล้าให้เกิดกับพิสูจ์ทั้งหลายพระองค์จึงทรงห้ามเสียทรงเสวยแต่พระองค์เดียวเท่านั้นในจุนทะก็ทรงกระทําตามพระพุทธดำหลักขั้นเสวยพระตาหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็จึงได้แสดงธรรมอนุโมทนาใ น, ในกาละทานในทานที่นายจุนทะกรรมระบุตรถวายนั้น แล้วก็ทรงลานในจุนทะนั้นเสด็จกับ เ, เสด็จกับยังอัมพวันที่พักทั้งนั้นเองปรากฏว่าพระพุทธองค์นั้นทรงพระประชวรหนักขึ้นมากถึงกับลงพระโลหิตแต่ก็ทรงบรรเทาทุกขเวทนาเสียได้ด้วยอธิวาสนะขันติและฌานสมาบัติในข้อนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่าทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงรู้ว้เหตุนั้นมีพิษ ทำไมพระองค์จึงฉันในข้อนี้ก็เพื่อที่จะรักษาศรัทธาไทยของศรัทธาของท่านในจุนทะนะประการหนึ่งอีกประการหนึ่งพระองค์ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าในอดีตชาตินะพระองค์เคยได้ทรงกระทํากรรมไว้เคยได้ลอยยาพิษเนี่ยลงในแม่น้ำจงกระทั่งทําให้ผู้ที่บริโภคดื่มน้ํานั้นถึงแก่ชีวิตไปเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงเห็นว่า เป็นกรรมที่จะติดตามพระองค์พระองค์ก็ยิ่งได้ยอมเสวยและก็เพราะเหตุว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, านั้นจะเสด็จดับขันพระทัปริลิพานเมื่อพระองค์ทรงเสวยเป็แล้วจึงได้เกิดไปชวนหนักถึงกับลงพระโลหิตก็คืออาเจียนออกมาเป็นเป็นเลือดหรือเป็นโลหิตแม้กระทั่งถ่ายก็เป็นเลือด แต่พระองค์ก็ส่งบรรเทาทุกขเวทนานั้นด้วยกําลังของอธิวาสนาขันติคือการอดกลั้นและด้วยฌานสมาบัติต่อมาองค์สุเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ก, ก็จึงได้ชวนพระอา น, นุ์พร้อมด้วยที่สุดทั้งหลายสเสด็จไปเมืองกุศินาราในขในเวลาที่สเสด็จไปเมืองกุศินารานั้นเมื่อสเสด็จไปได้ระยะหนึ่งพระองค์ก็สเสด็จแวะจับแวะ เข้าไปพักที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งตรัสสั่งให้พระอนนท์นั้นพับผ้าสังคติเป็นสี่ชั้นตูเป็นที่ประทับนั่งแล้วพระองค์ก็ได้ประทับนั่งณที่โคนต้นไม้นั้นเพราะเหตุที่ว่าทรงอ่อนเพลียเป็นอย่างมากและก็ทรงกระหายน้ำเป็นอย่างมากก็จึงได้ตรัสสั่งให้พระอนนท์นั้นไปตักน้ำมาให้เสวย แต่พระอนุนก็ได้ทูลทัดทานถึงสองครั้งว่าแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำที่ตื้นเขินและแม่น้ำเล็กแล้วก็เกวียนห้าร้อยเล่มนั้นเพิ่งจะผ่านไปเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ไม่ใสอ่าไม่ใสสะอาดน้ำขุ่นมัวขอให้พระองค์นั้นทรงแข็งพระไทยสด็จต่อไปอีกหน่อยไปถึงแม่น้ำข้างหน้านั้นแม่น้าข้างหน้านั้น จะเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่ใสสะอาดหน้าอาบและก็นาน่ า, นา ท, รทรงสนานและก็น่าทรงดื่มแต่พระองค์นั้นก็ทรงจัดถึงสามครั้งพระอานน์นก็ขดัขดคานอยู่สองครั้งพอครั้งที่สามนั้นพระอานนก็ไม่ได้กล่าวว่าอย่างไรก็รจิงได้ถือบาตรเข้าไปตักน้ำ แต่พอพระอานนท์เข้าไปในที่ใกล้นั้นปรากฏน้ําที่พระอานนท์ใช้บาดตักนั้นปรากฏใสสะอาดเป็นที่น่ามหัศจรรย์ท่านพระอนนท์ก็จึงเดินนาเอาบาดตักน้ํานั้นมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้เสวยตามพระประสงค์แล้วก็จึงได้กล่าวทูลสรรเสริญพุทธคุณเป็นที่น่ามหัศจรรย์ในขณะนั้นเองภูกุสะพัลระบุตัมมัลระบุตร ซึ่งกษัตริย์แปรเจ้าชายแห่งมลระบุตรแห่งมลละองค์หนึ่งชื่อว่ปุกุสะปุกุสะผู้นี้เคยเป็นสาวกของอาลารดาบทกาลามโคตซึ่งรู้จักพระองค์ดีเพราะเหตุที่ว่าเมื่อสมัยพระองค์นั้นได้เข้าไปอยู่ในสนักของอาลาลดาบทกาลามาโคตนั้น ปุกุสะนั้นก็ได้เป็นสาวกคนหนึ่งเหมือนกันปุกุสะมันระบุผู้นี้ได้เดินทางมาจากเมืองกุสินลาที่จะไปเมืองปาวาเมื่อเดินมาไดา้เมื่อเดินมาได้พบองค์สุเด็จพระสมมาสมพุทริเจ้าเขาก็ทรงจําได้ก็จึงได้วแวะเข้าไปสมทนาปราศัยกับพุทธองค์องค์สุเด็จพระสัมาสมพุทริเจา้าพระองค์นั้น ก่อได้แสดงสันติวิหารธรรมแก่ปุกุสมัลระบุตรเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วปุกุสะมลระบุตรนี้เกิดความเรื่อมใสายก็จึงได้น้อมนําเอาผ้าสิงคีวันคู่หนึ่งเข้าไปถวายแต่พระพุทธองค์พระพุทธองค์นั้นตรัสว่าให้ถวายพระองค์เพียงผืนหนึ่งและถวายพระอ น, นุลผืนหนึ่ง แล้วมันแอบภูกุสลมรบุตรนั้นเมื่อได้ถวายแล้วก็จึงได้ทูลลากลับไปเอาละท่านสาธุชนพุทธ บ, บริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแท่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มาว่า บทเรียนของปฐมสมโพธิกถาต่อเมื่อครั้งที่แล้วนั้นได้ว่าค้างไว้ถึงตอนที่ปุกุสะมรบุตรได้ถวายได้น้อมผ้าสิงคิวันคู่หนึ่งถวายแด่พระพุทธองค์ผ้าสิงคิวันนี้คือเป็นผ้าที่มีราคาสูงราคาแพงมากและปุกุสะก็ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าผ้าคู่นี้ นานๆครั้งจึงจะได้นํามาใช้สักครั้งหนึ่งเป็นของที่มีราคาแพงมากจะใช้เฉพาะในวันที่เป็นมงคลที่มีความสําคัญมากเท่านั้นเองปีหนึ่งอาจจะได้ใช้เพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นก็จึงได้นอ้นอมนําไปถาวายถ้าสิงคีวันนี้ท่านบอกว่ามีสีสันเหมือนกับเปลว เ, เพลิงที่ปราศจากหมอกและควันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็ตรัสว่าให้ถาหวายพระองค์เพียงผืนเดียว แล้วอีกผื้นหนึ่งให้ถวายท่านพระอานนท์ปุกุสะมัระบุตรนี้ก็จึงได้ทําตามพระประสงค์องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็แสดงทำโปรดปุกุสะให้ชื่นชมยินดีอ่าในธรรมกถาแล้วปุกุสะนี้ก็จึงได้หลีกทูลลากระไปหลีกไปเมื่อปุกุสะมระบุตรหลีกไปแล้วท่านพระอานนท์ก็จึงได้นําผ้าสิงกีวันผื้นหนึ่ง ที่ปุกุสะเข้าไปถวายถวายตนเองนั้นเข้าไปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นก็ทรงนุ่งผืนหนึ่งและทรงห่มผืนหนึ่งปรากฏว่าผิวกายของพระองค์นั้นเปล่งปลั่งงามยิ่งนักพระอานนท์ก็จึงไดออ้ออกปากในชมพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ ผิวกายของสถาคตนี่จะงามเปล่งปลั่งบริสุทธิ์นั่นสองคราวเท่านั้นเองคือคราวหนึ่งในคืนที่จะตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและอีกในคราวหนึ่งก็คือในคืนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานนี้เองแล้วก็ได้ดำเนินพร้อมด้วยพิพิสุสงฆ์และมีพระอนนนเป็นปัจฉาสมณนะ ไปยังแม่น้ากะกุทาณทีไปยังแม่น้ำ ก, กุำกะกุทานทีเมื่อเสด็จข้ามแม่น้ำกะกุทานทีไปยังฝั่งโน้นแล้วก็ทรงทรงและก็ทรงเสวยทรงสงสรารทรงเสวยและก็ทรงสงสนานสำราญพระกายพระทะแอรพระกายตามพุทธอธิยาใสแล้วก็เสด็จขึ้นมาประทับอย่างที่ล่มไม้แห่งหนึ่ง ที่ใกล้แม่น้ำนั้นโดยตรัสสั่งให้พระจุนทะกะเถระนั้นให้พับผ้าสังคติขึ้นเป็นสี่ชั้นปูเป็นอ่าปูเป็นเครื่องล่ะและพระองค์ก็ทรงประทับสำเร็จสีหัสยา่าคือทรงประทับนอนทรงประทับบัรทมโดยโดยมีสติพระสมบชัญญะ ซึ่งทรงมนตนรีการว่าจะต้องลุกขึ้นอยู่เสมอส่วนพระจุนทถกะเถระนั้นก็ได้นั่งเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักเวลาที่ประทับนั่งอัาประทับอยู่ที่สวนมะม่วงฝั่งแม่น้ำกากูทานนาทีนั้นพระพุทธองค์ก็จึงได้ตัดเรียกพระอนนนว่าดูก่อนอ น, นุน ถ้าหากจะมีคนทําความเดือดร้อนให้เกิดแก่แก่ในจุนทะกรัรมมารบุตรว่าเพราะบิณทบาทที่ที่า ท, ท, ท, ท, ที่เธอถวายนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงปณิพาน์พวกเธอทั้งหลายพึงทําความสบายใจให้แก่ในจุนทะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าตรัสสรเสริญบิณทบาต ท, ทานที่ถวายแต่ประสาคตดนั้นสองครั้ง ว่ามีผลมากมีอนิสง์มากกว่าบินท บ, บาทตระานทั้งหลายนี่เธอจงบอกอย่างนี้บินท บ, บาทตระานที่ถวายแต่พระปรตธาคตมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างนั้นสองคราวนั้นนะ่ะก็คือบินท บ, บาทครั้งแรกที่นางสุชาดาถวาย และก็ครั้งสุดท้ายที่นายจุนทะถวายนี่แหละบิณฑบาตสองคราวนี้มีผลมีอนิสงฆ์มากกว่าครั้งอื่นๆในข้อนี้เหตุลายองค์สุเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบิณฑบาตสองครั้งนี้เป็นบิณฑบาต ท, ที่มีอานิสงฆ์และมีผลมากกว่าอย่างอื่นกว่าบิณฑบาตครั้งอื่นก็เพราะเหตุที่ว่าบิณฑบาตสองครั้งนี้เมื่อพระองค์ทรงเสวยไปแล้ว ทำให้พระองค์นั้นได้บรรลุนิพพานทั้งสองครั้งครั้งแรกที่พระองค์ทรงเสวยเข้ามะทุปายาคของนางสุชาดานั้นในคืนนั้นพระองค์ก็ได้บรรลุพระนิพพานก็คือกิเลสนิพพานในครั้งนี้ได้ทรงเสวยบิณฑบาตของนายจุนทะ พระองค์ก็ได้บรรลุนิพพานคือพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานในคืนวันนี้ที่เรียกว่าอนุปาสสิเสสนิพพานเพราะฉะนั้นบินทบาทสองคราวเมื่อพระองค์ทรงสวยแล้วทำให้พระองค์บรรลุนิพพานทั้งคู่จึงนับว่าเป็นบินทบาทที่มีผลและมีอนิสงฆ์มากกว่าครั้งอื่นๆท่านพระองค์ได้ตรัสเช่นนี้แล้วก็จึงได้ตรัสชวนพระอนุลและทิสุสงทั้งหลาย ได้เสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำหิรัญยวดีต่อไปเมื่อไปถึงที่แม่น้ำหิรัญยวดีนั้นพระองค์ก็เสด็จเลยข้ามข้ามไปแม่นม้ำเนลัญช์ฮิรัญยวดีแล้วก็เสด็จเข้าไปประทับที่สาละวันอันเป็นที่ประพาสของท่านพวกมัละกษัตริย์ใกล้ๆ ก, กับริมฝั่งแม่น้ำหิรัญยวดีนั้นณนะเมืองกุสินารา พระองค์ก็จึงตรัสให้พระอานน์นั้นตั้งแท่นพระบรรทมโดยหันพระศีรษะพระเสียนไปทางทิศอุดอรในระหว่างต้นลังทั้งคู่แล้วพระองค์ก็ทรงสม็จสีหาสยญาตบรรทมบนพระแท่นนั้นโดยทรงธรรมนัสิการว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้น การสาย ญ, ญาติครั้งนี้จึงได้เรียกว่าอนุทศสาย ญ, ญาติแปลว่าทรงประทับบรรทมโดยที่จะไม่ลุกขึ้นอีกต่อไปครั้งนั้นต้นลังทั้งคู่ก็จึงได้ผลิดอกออกช่อบานเต็มต้นหล่นลงมาอย่างพุทธสลีละ แม้ดอกมณฑารบในสวรรค์ลตลอดที่พระสุคณชาติทั้งหลายก็ตกลงมาจากอากาศเป็นที่หน้ามหาสัจจันร์เพื่อที่จะมาบูชาพระศลีละขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันจกปรินิพานนี้เป็นครั้งสุดท้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเห็นเครื่องส ก, การะบูชาเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ตรกักรอนนลว่าจึงไน้ตรกักระ น, น์ด้วยความเป็นห่วง พุทธศาสนาว่าดูก่อนอ น, น์การบูชาตถาคตด้วยอามิสบูชานั้นแม้จะมากมายเห็นปานนี้ก็ตามก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบูชาพระตะถาคตเลยอนน์แต่ถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งในธรรมผู้นั้นแลชื่อว่าบูชาตถาคต ชื่อว่าบูชาตถาคตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิเสธอามิสบูชาว่าไม่ใช่เป็นการที่บูชาพระองค์เองเพราะเหตุที่ว่าการบูชาด้วยอามิสบูชานี้ถ้าหากว่าพุทธสาวกยัง ส, สนใจกันอยู่ศา ส, สนาของพระองค์นั้นจะไม่ยืนยาวต่อไปแม้แต่ชั่วการดื่มข้าวยาคูหนึ่งแต่ว่าการบูชา องคุณเอจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์นั้นที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรกระทํานั้นชื่อว่าเป็นการบูชาด้วยปฏิบัติติบูชาการบูชาเช่นนี้สามารถจะยังาศาสนานั้นให้ดำรงไปได้นานแสนนานดังนั้นองค์ุณเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสนรเสริญปฏิบัติบูชาว่าเป็นการบูชาต่อองค์ตถาคตอย่างถูกต้อง ในขณะนั้นเองท่านอุปวานะยืนถวายงานพัดอยู่ที่เฉพาะพระพักพระองค์ก็จึงได้ทรงขับให้อุปวานะนั้นเลขกไปเสียท่านพระอ น, นุ์นั้นเกิดความสงสัยก็จึงได้ทูลถามขึ้นว่าท่านอุปวานะนี้เป็นพุทธอุปถากติดตามพระองค์มาโดยตลอดแต่เหตุใดในระยะการเช่นนี้พระองค์จึงได้ทรงขับไปเสีย พระองค์ก็จึงได้ตัดว่าดูก่อนอ น, น, นเทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุนั้นมาประชุมกันเพื่อที่จะบูชาพระสถาคตเป็นครั้งสุดท้ายแต่อุปวานะนีน่ยืนบังเสียพวกเทวดาทั้งหลายก็จึงได้ยกโทษว่าตนเองนั้นมาแล้วไม่สมที่ตั้งใจจะมาดูพระสถาคต ดังนั้นตถาคตนั้นก็จึงได้ขับให้อุปวานนะเนี่ยหลีกไปเสียพระอนน์ก็จึงได้กราบทูลตอไปว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญครั้งก่อนๆ น, นั้นพุทธบริษัททั้งหลายย่อมเดินทางมาเพื่อเฝ้าพระองค์ข้าพระองค์นั้นก็ได้สะและก็ได้สอนทนาปลาใสาแก่พุทธบริษัททั้งหลายเหล่านั้น ได้โอกาสที่อันดีในการที่มีโอกาสจะได้สนทนาปลาัยเป็นที่เลื่อนเลื่องใจแต่ต่อไปนี้เมื่ององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้วข้าพระองค์นั้นคงจะไม่ได้สนทนาปลาัสกับพุทธบริษัทเหล่านั้นอีกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า ด, ดูก่อนอนอนท์สังเวชนียสถานสี่ตำบลก็คือหนึ่งสถานที่ประูตม สถานที่แต่ฐาถาคตเจ้าได้ประสูตรมาสถานที่ฐาถาคตเจ้าได้ตรัสรู้สถานที่ตฐาคตเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาและสถานที่ฐาคตเจ้าปรินิพานควรที่พุทธบริษัทนั้นควรจะไปดูไปเห็นเพื่อที่จะให้เกิดธรรมสังเวทสถานที่ประสูตรนั่นก็คือลุมพินีวัน ลุมพินีวันสถานที่ตัสรูนั้นก็ได้แก่สถานที่ต้นที่ตั้งอยู่แห่งต้นศรีมหาโพธิ์แห่งพุทธคัทักยาสถานที่แสดงบทมเทศนานั้นก็ได้แก่ป่าอิสิปตนะมลิกถายวันและก็สถานที่ตถาคตปรินิพานนี้ก็ได้แก่สารวันโนทยานหรือเรียกว่าสารวั น, นเป็นที่พระพาดของพวกมรรกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารานี้ สีต่ตำบล น, นี้ถ้าหาผู้ใดนั้นได้มีโอกาสไปนมัสการไปได้ดูไปได้เห็นเพื่อให้เกิดธรรมสังเวทแล้วบุญอันใหญ่หลวงจะได้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นแล้วท่านพระอนนท์นั้นก็ได้ได้ทูลถามเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติในพุทธสลีละองค์ทูตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงให้ตรัส ตัดว่าให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วพระองค์ก็จึงได้ตรัสถูปราระหะบุคคลแปลว่าบุคคลที่ควรแก่จะบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์อ่าคือบุคคลที่ควรจะนําเอาอัธิษฐานบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์เพื่อเป็นที่สการะบูชาของคนทั่วไปณสถานที่ขนทางสี่แพร่ง บุคคลผู้ควรแก่การปฏิสถานในพระสุูโเจดีนี้ก็มีสี่ประเภทด้วยกันก็คือหนึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระปัเจกพุทธเจ้าสามพระอรหันตสาวกแล้วก็สี่พระเจ้าจักรพัเนยแล้วก็สี่พระเจ้าจักรพัทท่านพระอานนท์นั้นในเวลานั้น เกิดความเศร้าโศกเศร้าเาสียใจเป็นอันมากด้วยคิดว่าตนเองนั้นเป็นคนที่มีวาสนาน้อยยังมีทันที่จะหมดกิเลสอาสาวะองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งเป็นที่พึ่งก็มาด่วนจะจากไปสะก่อนอย่างนั้นจึงได้หลีกออกไปจากณสถานที่นั้นไปยืนเกาะที่ไม้แห่ง่งอ่าไม้ที่ สลายแห่งหนึ่งร้องไห้อยู่ด้วยความเสียใจว่าตนเองนะ่ะยังเป็นเสษขับุคคลองสุเดพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อทรงทราบเช่นนั้นแล้วก็จึงให้พระพิสุสงไปตามมาเมื่อพระอ น, นุลมาเข้าเฝ้าแล้วก็จึงได้ประทานพระโอวาทปลอบใจพระอนุลไมิให้เศรา้าโศกแล้วทรงสรรเสริญพระอ น, นุลนั้นมีประการต่างๆแล้วก็ตรัสเตือนพระอ น, นุ์ว่าให้บำเพ็ญเพียรต่อไป ไม่นานนักหลังจากตถาคตนิพพานแล้วประมาณสามเดือนพระอนนท์นั้นจะได้เป็นพระขีณาสพทั้งนั้นท่านพระอนนท์ก็จึงได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าเมืองเวสาเมืองมากุสินารานี้เป็นเมืองเล็กเมืองกิ่งเมืองดอนไม่ควรเลยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปฏินิพพานควรจะไปปรินิพพานในพระนครใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองจำปา เมืองราชคลึเมืองสาวัตถีเมืองสาเกตเมืองโกสมพีและเมืองพารานสีอย่างนี้เป็นต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสห้ามเสียว่าอนุนเธออย่าได้พูดอย่างนั้นเมืองกุศินารานี้แหละเมื่อครั้งอดีตการนั้นเคยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากเมืองนี้เคยมีชื่อว่ากุสาวดีราชธานี มีพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่ามหาสุทัศนะเป็นผู้ปกครองพนครอยู่เมือง น, นี้และเมืองกุสินารานี่แหละเคยรุ่งเรืองอย่างยิ่งมีประชาชนหนานแน่นสงบสุขและก็สมบูรณ์ได้วยสพพรรพสิ่งทั้งปวงไม่เคยขาดเสียงสิบประตานทั้งกลางวันคืน ซึ่งเสียงสิบประการนั้นมีเสียงช่างเสียงมาเหล่านี้เป็นต้นเสียงเหล่านี้ละ ง, งมไปทั้งตลาวันกลืนไม่เคยขาดเลยเพราะฉะนั้นการที่ปรินิพานในเมืองนี้นะ่ะจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งคันแล้ก็จึงได้ดตรัสให้ท่านพระอนน์นั้นไปแจ้งข่าวปรินิพานนี้แก่พวกมรรคกษัตริย์เพื่อที่จะไม่ให้มรรคกษัตริย์ทั้งหลายนั้น เกิดเสียใจว่าองค์ทุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสเสด็จมาปรินิพานดังบ้านดังเมืองของเราแต่ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นไม่ได้มีโอกาสที่ได้ทราบหรือได้มาในนามาสการพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นก็จึงได้สั่งให้พระอ น, นุ์ไปแจ้งเขาจะปรินิพานแก่พวกมันละกษัตริย์พระอนุ์นั้นก็ได้ทูลปฏิบัติตามพระพุทธประสงค์พวกมันละกษัตริย์ได้ทราบว่าพระสถาคต เจ้าจะ บ, บริญิพานในยามที่สุดแห่งราตรีในวันนี้ก็จึงได้พากันมาเฝ้าเป็นจํานวนมากต่างก็เศร้าโศกเสียใจเป็นกำลังท่านพระอานนท์ก็จึงได้จัดให้เข้าเฝ้าให้พวกมลรัทั้งกษัตริย์ทั้งหลายนั้นให้เข้าเฝ้าเป็นสกุลสกูลเป็นคณะคณะไปเพราะมองเห็นดูแล้วว่าพวกมลกรักษัตริย์ทั้งหลายนั้นมีจานวนมาก ถ้าจะให้เข้าเฝ้าแต่แพระองค์ทีพระองค์นั้นไม่สามารถที่จะให้เฝ้าได้หมดจนกระทั่งลุ่งสว่างจึงให้เข้าเป็นตระกูลตระกูลเป็นคณะคณะไปปรากฏว่ามรรคกษัตริย์ทั้งหลายได้เข้าเฝ้าพราะองค์นั้นเสร็จเรียบร้อยภายในปฐมยาม น, นั้นเองสมัยนั้นสุภัททะปรีพาชกก็ได้มาพบพระอานนท์เพื่อจะขอโอกาสเข้าเฝ้า ซึ่งสุภัทบริพาชกนี้ตามประวัตินั้นว่าเป็นบุตรชายาเป็นบุตร ช, ช, ช, ชายของอุปกาชีวกอุปกาชีวกเป็นบุตรชายของอุปกาชีวกเมื่อจเจริญวัยขึ้นามาแล้วก็ได้บวชเป็นปริพาชกเกิดมีความสงสัยขึ้นประการหนึ่งแต่ในตอนแรกๆนั้น ไม่ยอมกราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะมีทิฐิมานะในฐานะที่ว่าเป็นคนละศาสนาครั้นจะเข้าไปถามเขาก็แสดงว่าตนเองนั้นจะเป็นคนที่มีปัญญาได้กว่าหรือโง่โง่งงงกว่าแต่อยู่มาอยู่มานั้นความสงสัยอนี้ก็เกาะกินใจของตัวเองอยู่เรื่อยได้ทราบเขาวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะปรินิพานในวันนี้ ก็มากคลมพึงคิดว่าถ้าหากว่าเราตนเองนั้นไม่ถามไม่กรบทูนถามถ้าความสงสัยนี่ก็จะเกาะกินใจของตัวเองไปจนตลอดชีวิตดังนั้นก็จึงได้ลดมาณนะทิฏฐิมาณะของตัวเองก็จึงได้เข้าไปหาพระอ น, นุ์ถูกพระอ น, นุ์ทัดทานอยู่ถึงสามครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับเข้าก็จึงได้ตัดแก่พระอ น, นุว่าดูก่อนอนุ์ เธอจงให้สุภะเข้าเฝ้าเิอการที่ตถาคตได้ลำบากได้ยอมลำบากกายได้ยอมลำบากกายมาปรินิพพานที่นี้ก็เพื่อต้องการจะปลดสุภะปริภาพพิชภูนนี้เองดังนั้นพระอ น, นุก็จึงได้กล่าวแก่สุภะว่าองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้โอกาสแก่ท่านแล้วท่านจงเข้าไป สุพัท t h ปริพาชกได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ก็จึงได้ทูลถามว่าค่าแต่พระองค์ผูเ้เจริญสมณะพราหมณ์พวกอื่นๆเช่นปุรณกัสสปเป็นต้นคือพวกครูทั้งหกมีครูทั้งหกเป็นต้นมีอามหรือพวกครูทั้งหกมีปุรณกัสสปเป็นต้นนั้นท่านเหล่านั้น ได้รู้เห็นจริงตามที่ปฏิญาณของตนทั้งสิ้นหรือว่ารู้ไม่หมดคือพวกเหล่านั้นปฏิญาณตนเองว่าเป็นพระรหันต์จริงหรือไม่องค์สุเนศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสว่าดูก่อนสุภธะเธอจะได้ถามถึงเจ้ารทัทิอื่นเลยเราจะถากคตจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงตั้งใจฟังเถิดแล้วก็ทรงแสดงธรรมโปรดว่า ธรรมวินัยใดไม่มีอริยมรรคแปดประการสมณะที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันสมณะที่สองก็คือพระสกทาคามีสมณะที่สามก็คือพระอนาคามีและสมณะที่สี่คือพระอหรหันต์ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้น แต่ในธรรมวินัยใดมีอริยมรรคสิบแปดประการสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ย่อมจะหาได้ในธรรมวินัยนั้นธรรมวินัยของตถาคตนี้มีอริยมรรคแปดประการแล้วกอริยมรรคแปดประการนี้มีอยู่เฉพาะในพระธรรมวินัยของตถาคตนี้เท่านั้นหากสมณะ เราใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทางแห่งอริยมรรสแปดประการนี้แล้วโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์สุภัททะปริภาชกได้ฟังพระธรรมเทศนาเช่นนั้นแล้วก็เข้าใจทันทีเลยว่าพระอรหันต์นั้นหรือสมณะทั้งสี่ประเภทนั้นมีเฉพาะในพระธรรมวินยัย หรือว่าในพุทธศาสนานี้เท่านั้นก็มีความเลื่อมใสทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าสุภัต t h ผู้ที่เคยเป็นเดรถถัจฉีคือเป็นนักบวชนอกศาสนานั้นจะอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส ถ, ถึงสี่เดือนจนเป็นที่พอใจเสียก่อนภิกษุสงฆ์จึงจะยอมบวชให้สุภัต t h ก็จึงได้กล่าวด้วยความเลื่อมใสพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์จะขออยู่ปริว่านิสีปีเมื่อองค์สุเด็จพุทธมมาสัมพุตธเจ้าได้ทรงปรังเช่นนี้แล้วก็จึงได้ตรัสให้พระอนุนนั้นทําการอุปสมบทสุภัทธปริภาชกเมื่อสุภัทธปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทแล้วจึงคิดว่า เราจะพยายามกระทําความเพียร น, นี้ให้สําเร็จมรรคผลนิพพานก่อนที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานในคืนนี้ก็จึงได้หลีกออกจากหมู่บําเพ็ญสมนานธรรมไม่ช้านะักก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นอริยะบุคคลก่อนที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานนับว่าเป็นปัจฉิมสาวกขององค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นสาวกองค์สุดท้าย เป็นสาวกองค์สุดท้ายในเวลาในขณะนั้นเองพระอนนท์ก็จึงได้ทูลถามทูล ถ, ถามถึงพระช น, นะว่าเป็นคนจึงได้ทูลถามถึงพระองค์ว่าจะปฏิบัติเช่นไรกับพระช น, นะเพราะว่าชนะนี่เป็นคนที่ดื้อถือตัวถือว่าเป็นข้าเก่ า, า, เ, กาเป็นผู้วายยากสอนยากไม่ยอมฟังโอวาทของใครใคร เมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วจะเป็นผู้ว่ายากหนักขึ้นไปอีกด้วยหาคนยังเพลงไม่ได้พวกข้าพระองค์จะปฏิบัติเช่นไรพระองค์ก็จึงแนะนําให้ลงพรหมทานให้พิสุสงฆ์ลงพรหมทันแก่ฉันนะก็คือการลงพรหมทัน์นั้นก็คือไม่พึงว่ากล่าวไม่พึงให้โอวาดไม่พึงสั่งสอนไม่พึงเจรจาคำใดๆด้วยทั้งสิ้นเว้นแต่ว่าคําอันเป็นกิจจุกิธุระที่จําเป็นโดยเฉพาะ แต่นั้นต่อแต่นั้นพระองค์ก็จึงในประธานโอวาทประธานโอวาทว่าเมื่อตาคตปณิพานแล้วพิสุท์ทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรจะคิดว่าบัดนี้ศา ส, สดาของเหล่านั้นไม่มีแล้วแท้จริงวินัยที่เราบัญญัติแก่เธอที่เราบัญญัติที่เราแสดงแก่เธอทั้งหลาย ทำและวินัยที่เราได้แสดงแก่เธอและทํําทาวินัยที่เราได้แสดงแก่เธอและทั้งหลายนั่นเองเมื่อล่วงไปแล้วทำรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายจะเป็นศาสนาของเธอทั้งหลายลําดับนั้นพระองค์ก็จึงได้พระองค์ก็จึงได้เตือนภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์โดยความไม่ประมาเทเถิดองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระโอวาทนี้แล้วเป็นวาละสุดท้ายโดยที่ไม่ได้ตรัสอะไรอีกต่อไปเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย